ศาสนาธรรมเล้วก็อย่างยิ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นเครื่องสังหารพบชาติในใจของสัตว์โลกเฉ้าะอย่างยิ่งมนุษย์พวกเทวดามีส่วนอยู่ด้วยให้สิ้นและเบาบางลงโดยลำดับ เพราะฉะนั้นผู้เกิดมาในสัตว์เดรัจฉานเราก็ไม่พูดเลยเพราะนั่นยังห่างไกลอยู่มากกับศาสนาแต่มนุษย์เรานี่ควรจะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้แม้จะอยู่ไกลแสนไกลก็ตามเช่นอย่างอยู่คนลทวีปแต่ธรรมะสามารถที่จะกระจายถึงกันทั่วถึงกันได้เช่นข่าวสารต่างๆที่โลกทั้งหลายได้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 ข่าวสารไดๆอีกด้วยไม่ว่าใครจะเกิดที่ไหนเพราะพุทธศาสนานี้สามารถกระจายทั่วถึงหมดจากผู้นับถือและผู้ปฏิบัติส่งข่าวก้าวถึงกันแลอดถึงกันเขียนเป็นรายลัออกอักษรเช่นหนังสือเป็นต้นไม่ต้องพูดถึงยิททยุโทรทัศน์อะไรที่จะนำออกกระจายเช่นเดียวกับโลกเขาเลย ยังหนังสือแน่ละกระจายทั่วถึงแนวนี่ก็เป็นกรรมอันหนึ่งของสัตว์ที่ไม่สามารถจะให้จิตใจมีความพอใจในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่เลิดและแน่นอนที่สุดในหัวใจโลกและแดนแห่งธรรมไม่มีอันใดที่จะเคลื่อนคลาดผิดจากความจริง ตามที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนไม่เลยเพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้รู้เห็นจริงๆในทุกแง่ทุกมุมที่นำมาสอนโลกนี้ไม่ใช่นำมาด้วยความรุ่นเราเก่ามาันแต่นำมาด้วยการพิสูจน์ด้วยสยามผูทุกๆพระองค์เงียบ้อยแล้วเป็นที่พอพอใจพอพระทยัย ในการที่จะนำออกสอนสัดไม่สงสัยเพราะเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างบางทีย่นยอ่อแสดงไว้ก็ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมตั์ทั้งหลายตายแล้วต้องเกิดนี่เป็นเป็นข้ อ, ขอยืนยันเป็นสิ่งที่มีมาประจําโลกมานานแสนไ น, นโลกไม่เคยปลา่จากสิ่งนี้ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้เต็มไปด้วยบาปบุญนรกสวรรค์ และการเกิดตายด้วยกันทั้านั้นไม่มีอะไรบกพร่องแต่ผู้ที่จะชี้ช่องบอกทางตามความจริงนี้จะมีเป็นระยะระยะเป็นครั้งคราวเท่านั้นเช่นสมัยปัจจุบันนี้ก็มีสศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าศาสนาพุทธของเราจะมีเป็นตอนเป็นตอนชี้แกงแสดงบอกไว้แต่สำคัญที่จิตใจของสัตว์โลกมันก็มีกรรมหุ้มห่ออันหนึ่งเหมือนกัน ไม่สามารถที่จะให้เปิดออกรับความจริงตามที่ท้าชนธรรมประกาศสอนไว้ <c oughs> ถูกกีเลียดมันปิดมันบงังมันปัดมันกวาดทางเตียนโล่งให้เข้าสู่ความร่มจมหรือมืดมนอุนตการไปเสียไม่ใช่เป็นความเจียนโล่งตามหลักธรรมชาติที่มีอยู่ดังที่ ท, ท่านสอนไม่เลยจำพวกที่เป็นค่าสิบของธรรมนี้มันไปปิดไปกัน้นมันพิกแปลงเปลี่ยนแปลงปิ้นป้อนหลอกลวงไปหมด กบความจริงไว้แล้วจึงสัตว์โลกทั้งหลายจึงไม่มีทางที่จะรู้จะเห็นได้แม้สิ่งนั้นจะมีอยู่ก็ตางนี่แล้ท่านที่นี่ว่ากรรมของสัตว์กรรมของสัตว์อย่ว่ากรรมของผู้อื่นผู้ใดเลยมีทุกคนทุกตัวสัตว์คําว่ากรรมคือการกระทําหากมีอยู่ภายในจิตของทุกตัวสัตว์มนโนกรรมมนโนกรรมที่แสดงออกก็แสดงออกตามมนโนกรรมที่เป็นกรรมภายในนั่นแหละนั่นแหละ จะเอาอะไรมาแสดงต้องแสดงออกมาจากภายในเนื้อภายในมีอะไรปิดบังหุงห้มห่อนั่นสําคัญมากทีเดียวไม่ให้รู้ให้เห็นตามความจริงสิ่งใดที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีธรรมชาติที่ไม่ดีมีอํานาจอยู่ภายในจิตใจมันสามารถที่จะปิดจะ บ, บ, บังจากกีุดจากกันได้หมดเวลาที่มันมีอานาจเป็นเช่นนั้นท่านทั้งจริงโลกสัตว์โลกจริงลำบาก เกิดมาในแดนแห่งความจริงทั้งหลายเห็นอยู่สดๆร้อนๆในเอาตัวของเราเป็นตัวประกันมันก็ยังไม่สามารถจะยอมรับความจริงในตัวของของตัวได้เช่นเกิดนี่เกิดมาจากที่ไหนที่ไหนมันก็ไม่รู้ทั้งๆ ท, ที่เคยเกิดมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาติกี่กับกี่กันเป็นไม่ต้องพูดอย่างล้านล้า น, นของแต่ละพบระชาติแห่งจิตใจแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกแต่ละลายละลนั่นแหละไม่จะไม่มีที่ไหน ความเกิดเกิดอยู่กับวิญญาณวิญญาณพาให้เกิดพาพาพาเป็นตัวยืนรงเชื่อคืออวิชชาในากกิเลสอันเป็นเชื่อสําคัญพาให้เกิดนี่มีอยู่ทุกตัวคนแต่เราก็ไม่สามารถที่จะยืนยันในความมีความเป็นของตนได้เพราะไม่รู้มีอยู่มันก็ไม่รู้ไม่เห็นช่องทางที่มามาจากไหนก็ไม่รู้ก็เห็นแต่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 หวังเท่าไหรกม็มีสิ่งที่จะตอบแทนเพราะจะไม่ทําความดีเลยเนื่องจากว่าความสิ้นหวังหมดแล้วเนื่องจากตายแล้วสูญคือมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องตอบแทนเพราะสูญชิ้นไปหมดชิบหายผลปีไปหมดแล้วจะทําอะไรอยากทําอะไรก็ทำํำนะจริงๆนั่นคําว่าอยากทําอะไรก็ทํามันก็มาในเงื่อนเดียวกับว่าตายแล้วสูญทั้งๆที่มันไม่ได้สูญ ừ, แล้วก็ต้องให้ทําตามความชอบใจนมันก็สวรมลอยลงไปนั่นอีก ความยำใจจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่สิ่งเป็นค่าสึกต่อธรรมสิ่งเป็นค่าสึกต่อความดีทั้งหลายของตัวเองแท้ๆนั่นแหละนั่นจะต้องทําไม่ใช่สิ่งที่เป็นค่าสึกต่อตัวสุดท้ายก็พูดที่มาตายแล้วสูนนั่นแหละมาหมุนตัวเป็นกงจักรให้กรรมทั้งหลายเาผาฐานอยู่ตลอดเวลาเลื่อยมาจนกระทั่งวัด น, นี้นี่เราไม่ต้องพูดถึงได้อดื่นนาใดๆพูดถึงตัวของเราเอง เมื่อยังไม่ทราบเป็นเช่นนี้จริงๆไม่เป็นอย่างอื่นยาอย่าตาหนิว่าผู้ใดผู้หนึ่งว่าไม่รู้ว่าปฏิเสธความจริงว่าลบล้างความจริงคือตัวเราเองนั่นแหละมีโดยมีสิ่งที่มันเคยลบล้างความจริงทั้งหลายมาลบล้างภายในหัวใจมากระซิบกระซาบให้เกิดความเชื่อในสิ่งนั้นเสียแล้วก็ลบล้างความจริงซึ่งมีอยู่ในตัวเองและ ความจริงที่ตนจะพึงได้ถึงถึงนั่นให้สูญสิ้นไปหมดจริงที่ไม่สูญไม่สิ้นโดยที่ทั้งๆที่เจ้าของก็ว่าจะสูญสิ้นคือบาปบุญอะไรๆไม่มีนั่นแหละที่จะมาทําให้เราได้สนองหรือเนรับบาปคือบาปที่ว่ามันมีนั่นเนะนรกที่ว่าไม่มีนั่นแหละมันจะจงลงที่ตรงนั้นมีเชิงว่ากรรมของสักร นี่พกเราทั้งหลายได้เกิดมาในถ้ากลางแห่งพุทธศาสนารู้สึกว่าเป็นเลิศที่ดียถ้าพูดถึงในชาติมนุษย์แดน ม, มนด้วยกันเราอยากเข้าจเจ้าประเทศนั้นเจริญประเทศนี้เจริญประเทศนั้นฉลาดประเทศนั้นโ ง, ง่เราจะไปคิดอย่างนั้นเอาหลักความจริงแห่งกรรมที่พระเจ้าทรงสอนนี้มาเป็นเครื่องยืนยันกันศาสนานี้เป็นศาสนาที่แน่ร้อยเปอร์เซ็นไม่มีสงสัยผมอกคอขาดเข้าว่าเลย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 ท่านสอนความจริงท่านขนาดไหนธรรมะมีแต่ความจริงล้วนท่านแบบอริยสัจอริยสัจพระพุทธเจ้าท่านสอนนอกจากอริยสัจไปไหนผู้บาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงสอนนอกจากอริยสัจไปไหนแต่เรามันก็ไม่รู้อริยสัจจะว่าไงเมื่อถึงยังไม่ถึงเวลาที่มันจะรู้แต่ภาพความารู้สาพยายามนั่นแหละตะเกียกตะกายล้มลุกคุก ค, คานไปหลายครั้งนะหุ่นค่อยถลอกเอก่าเปิบไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็ค่อยเข้า อ, อกเข้าใจ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 การเดาการคาดเะเนอันหนึ่งก็เป็นความดีเพื่อจะให้เป็นความเชื่ออันสําคัญฝังอยู่ภายในตนที่เป็นสิ่สังที่โก้นี่เมื่อปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปอ้าวสมาธิก็เห็นขึ้นมาําเห็นจิตเป็นสมาธิจะเห็นอะไรถ้าไม่เห็นความจริงจะเห็นอะไรในขั้นสมาธิต้องเห็นความจริงอันหนึ่งที่สมาธิจะสามารถรู้แก้งเห็นจริงในตามสภาพหรือตามอำนาจของตนต้องรู้เนี่ยมันจะเห็นชัดขึ้นมาอันนี้ปัญญาสมาธิมีหลายขั้นเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้หลายภูมิ เพราะฉะนั้นก็ก้าวเข้าสู่ปัญญาปัญญาธรรมดาก็มีล้มลุกคลุกคลานหังที่เราเคยคิดเคยอ่านพิจิตพิจารณานี่เป็นปัญญาล้มลุกคุกคานเป็นปัญญาเช่นเดียวเรียกว่าปัญญาในสัญญาอาศัยสัญญาว่าคี่ดีเช่นประทัดไปแล้วปัญญาก็ตรองไปตามนี่เป็นปัญญาประเภทหนึ่งนี่ก็ไม่ไม่อัศจรรย์นักพอก้าวเข้าสู่ปัญญาอัตโนมัติหรือภาวนามยปัญญานั่นล่ะที่นี่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 มีความพิจดารประเสริฐเลิศเลยยิ่งกว่าใจดวงที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งหลายนี่เล่านี่ที่พุทธเจ้าศาสดางองค์เอกเอาเออกมาจากกิตที่บริสุทธิ์ไม่มาด้นมาดาว ส, สอนโลกอะไรเลยสอนด้วยความสัตจความจริงสอนด้วยความรู้ความเห็นจริงๆด้วยพระเมตตาเต็มส่วนไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าแหละเรื่องพระเมตตาเนี่ยนะมหาการุณิโกนาโถหิตายิสาวปา น, นินางนั่นไม่แปลก็พอทราบแล้วคำว่ามหาการุณิโกนาโถฟังซิต้องมีความ เมตตาสงสารและสงเคราะห์โลกมากมายขนาดไหนอิตายะเสาปลานํางทาประโยชน์ให้แก่โลกได้มากมายก่ายกองด้วยพระเมตตาสุดส่วนนั่นเองแล้วพระเมตตานี้ออกมาจากความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์เป็นความอ่อนโยนต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นความเมตตาสงสารต่อสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่เสกสรรตั้นยอขึ้นมานี่นะพุทธศาสนา แล้วเราไม่ประมาศศาสนานอกนั้นเราไม่ประมาศเป็นศาสนาของคนมีกิเลสเอาความแน่นอนจริงๆมาจากไหน เ, เราเราท่านท่านเป็นยังไงความรู้ ก, ก็เห็นของเราท่าเร า, เราท่านท่านเป็นยังไงแล้วแยกตัวออกไปเป็นเจ้าเป็นศาสตาจารย์สอนหมู่เพื่อนเป็นยังไงกิเลสคลองอยู่ในหัวใจเอาความแน่ความนานความจริงมาจากไหนเอาพิจารณากันตรงนี้ก็รู้นี่นะพอกิเลสมันยังมีอยู่หัวใจก็เป็นสามัญชนธรรมดาเรานี่เป็เปนเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยเป็นศาสดาขึ้นมาเป็นเจ้าของศาสนานั้นๆขึ้นมา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 ที่บริสุทธิ์แล้วจากกิเลสทั้งหลายเด็ดซงทะลุลงไปตามความจริงแล้วสอนออกมาตามความจริงจริงมันเป็นเรื่องของกิเลสปิดบงังรูปคําไปสอนเอานํามาสอนรูปด้วยความรูปคล้มเอาความจริงใจมาจากไหนเอาความแน่นอนมาจากไหนไม่ว่านระกไม่ว่าสวรรค์ไม่ว่าอะไรลเลยเมื่อหัวใจดวงนี้มันยังถูกปิดบงังอยู่ด้วยเครื่องหุ่มหอ่อตัวสําคัญหยู่แล้วจะเอาความจริงจังมาจากไหนแต่วิทยาของเราไม่เป็นอย่างนั้นนี่นะ่ะเอแทงทะลุปไปหมดเข้ามาโลกอวิทูก็แจ้งไปหมดโลกไม่โลกทั้งสา โลกนอกก็แจ้งโลกในคือในพระไทยก็แจ้งนี่โลกวิถีโลกวิถีไม่ได้หมายถึงว่าโลกนอกเหมือนพระอาทิตย์ประจันตาของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตาเป็นตาพระอาทิตย์ประจันเลยนั่นไปอีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันทวีคํามตาโลกวิถูญาณอุตปาลีวิชาอุตปาลีอาโลกูาาุปาลีหรือปัญญาอุตปาลีมีตั้งแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งในพระไทยเท่านั้นไม่ได้เหมือนพระอาทิตย์ไม่เหมือนความสว่างกระจ่างแจ้งของโลกทั้งหลายที่เป็นกันอยู่และลูบเห็นเห็นกันอยู่นี่เลย เป็นหลักธรรมชาติของจิตที่พ้นจากวิสัยแห่งโลกทั้งหลนี้โดยข่ายเดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทรู้ดังที่กล่าวมานี้เพราะฉะนั้นจึงรู้แจ้งเห็นจริงถึ ง, ถงนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษตลอดพระนิพพานได้โดยเต็มพระไถ่ของพระองค์ไม่มีข้อสงสัยเลยเอาสาวกองคใดที่รู้ตามมรลเจ้ารู้เข้าไปสิคำว่ า, าสันติสกสันติสุขจะไม่ทูลถามุูลเจ้าเลยแม้แต่พระองค์เดียวเพราะไม่ใช่เพราะไม่มีอหรหันต์ประเภทบ้าท น, นะอหรหันต์ตามหลักความจริงของมูลเจ้าแล้วต้อง เป็นเหมือนเหมือนการหมดไม่ทุนถามยกมือกราบไหวทันทีเลยอ๋ออย่างนี้หรือพระพุทธเจ้ารูร้รอย่างนี้หรือรู้อย่างนี้หรือเท่านั้นแหละนี่แหละศาสนาพูดเป็นอย่างนี้ยืนยันกันด้วยหลักธรรมชาติศาสนาที่มีกิเลสเป็นเป็นเจ้าของเป็นอาจารย์หรือเป็นเจ้าของศาสนาไม่ไแน่ ใ, นใจล่ะสำหรับเราเป็นคนที่ตีมากกิเลสมากอย่างเราเนี่ยเราไมไ่แน่ใจแต่ ส, สาพระพุทธเจ้าแล้วมอบเลยยอมเลยตายก็ตายเถอะวางมันเลยไม่มีอะไรเสียดายแม่นิดหนึ่งไม่นี่ไม่สามารมีขอให้ได้เทิดทุน ทำของพระเจ้าด้วยความจริงที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้เท่านั้นก็พอแล้วเราเราพูดเท่านี้เราพูดให้เต็มแม็เต็มหน่วยพูดให้เต็มตามหัวใจที่เป็นอยู่ในตลอดเวลาในปัจจุบันนี้เ น, นจะสงสัยที่ตรงไหนมันน่าปื้มโอ้ปลื้มใจมันน่ามีแก่ใยที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเพราะเป็นสิ่งที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรที่จะให้เรารู้ความคำว่าจริงรไม่จริงเนี่ไม่แน่หรือไม่แน่ทํางลงไปจะได้หรือไม่ได้ทำลงไปจะจริงไม่จริง ไม่มีจริงแล้วทั้งนั้นบาปมีจริงแล้วนรกมีจริงแล้วอาธมัิเรศทุกประเภทดังที่ท่านสอนไว้แล้วมีเต็มหัวใจนี้แล้วเอาแก้เอาไปแก้เอาไปด้วยมารคืออะไรมารคือสีนสมาธิปัญญาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราถ้าพูดถึงเรื่องความดีความดีทั้งหลายนั่นแหลคือมาร ก, การให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีมีตั้งแต่มารทางดําเนินทางเครื่องสังขารสิเดชให้มันทางลงพ า, านธจิตใจยนมาตตบนให้เขาน้อยองให้สั้นลงมาสั้นสั้นเข้ามาสั้นขมา จากพุทธศาสนาแต่ละครั้งละครั้งที่เราได้ประสบเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดมาในพุทธศาสนาจึเงเป็นผู้มผีผู้ได้เปรียบอยู่มากทีเดียวถ้าว่าเป็นผู้ฉล า, าดก็ฉล า, าดด้วยอุปณิสัยไม่ได้เอาฉล า, าดอันแบบงู้งงั่งังทะน o ตัวมาคุยกันว่าเรียนจบนั้นจบนี้แล้วมาคุยกันโม้กัน ท, ทั้งทั้งติยิเรศมันผิดวิชาให้ยังไม่รู้ตัวยังมาทะน o n ตัวอวดตัวรู้ตัวว่วาฉลาดความรู้ของยิเรศกับความรู้ของของธรรมมันต่างกันยังไงความรู้ ของผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วกับความรู้ของผู้จิเลสเต็มหัวใจมันต่างกันยังไงให้มันรู้มันก็รู้เองนี่นะอ่าไหนจิเลสมันว่างลวนลายให้แล้วเป็นบ้าตัวเองเมาน้ําลายตัวเองก็ยังไม่รู้เอาให้มันถึงเหตุถึงผลเท่การกาต้พูดปฏิบัติศาสนาองค์เอกเอกแท้ไม่มีอะไรจะมาเสมอแล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างทํำแสดงไว้แล้วก็เอกอะไรก็เอกให้มันเห็นภนายในจิตใจคือผู้ปฏิบัติ มันน่ามีแกจิตใจหน้าเอาชีวิตจิตใจเขาแรกเข้าเลยฮะมอบถวายเลยเพราะได้เราได้มอบกับกิเลสทั้งที่ไม่ได้บอกว่ามอบกับตามมอบกับมันทั้งคืนทั้งวันมอบมากี่กับกี่ทันแล้วมันได้ความดิบความดีมากน้อยเพียงไรกิเลสให้ความดีแก่คนความโลภมันดีไหมพิจารณ์สิคนเกิดความโลภมันดีไหมอ้าวแสดงอาการจิตยาอไรออกมาความโลภนั่นมันร้อนภายในจิตใจแล้วมันแสดงอาการอะไรออกมามันดีไหมความโกรธมันแสดงมามันดีไหม ราค่าตันหามันแสดงมามาดีไหม่ฟังซิมันโลกนี้กัดฉีกกันเพราะตัวจันไรตัวไฟมนดกันสามกลองนี่แหละจะเป็นอะไรไปหาความชุขความสบายไม่ได้ทุกวันนี้เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะอนี้ความโลกโลกไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่รู้จักพออืเอามาเผาหัวเจ้าของก็ไม่หมดอืเจ้าของจนเป็นเท่าเป็นฐานไปทรัพย์สมบัติเงินทองนั้นมันก็ยั ง, ย, งยังไม่หมดนั้นก็ยังโลกสะพัตะพือแล้วความโลกน้ำพาคนมีความสุขความควา ม, ความเจริญที่ไหน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 ถ้าหงอันนี้ได้เกิดขึ้นภายในหัวใจแล้วไม่ไห้หน้าใครทั้งนั้นเนี่ยหน้าอินหน้าพร ม, มไม่มีเลยเอาแหลกได้เหมือนกันแล้วมนุษย์ยิ่งแหลกกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะมันฉลาดกว่ากันนี่มันเป็นของดีเมื่อไหร่แก้มันเอาที่อันนี้ก็มีอยู่ในหัวใจของเราเราสงสัยที่ไหนเวลานี่พระวิชาสอนสอนลงที่ไหนสอนลงที่ใจดินไม่ใช่กิเลสน้ำไม่ใช่กิเลสลมไม่ใช่กิเลสไฟไม่ใช่กิเลสอากาศจะท่าไม่ใช่กิเลสทุกสิ่งทุกอย่างทั่วแดนโลกฐานไม่ใช่กิเลสฮึมมันกิเลสอยู่ภายในจิตใจนี้เท่านันัวจ ท่านเหนอะไรมากทีเดียวแก้ตรงลงตรงนี้ที่ทำมาทั้งหมดไม่ได้ไปแก้ดินน้ําลงไฟไม่ได้แก้ะดินผ้าอากาศที่ไหนแก้ลงที่กิตใจที่เป็นตัวขี่เดือดเนี่ยให้มันพังตะลางลงไปที่นี่ไม่ได้แก้ที่ตรงไหนเอาลงไปที่นี่สิโอวาว่าตําสอนครูบาอาจารย์ก็สอนมาเต็เม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิแล้วพูดอย่างของผมนี่แล้วผมไม่มีอะไรเหลืออแทยังมายังไม่มีอะไรเหลือเลยเพท่อทุกท่านที่มาศึกษาเอาลงไม่ได้เทศเพื่อความโอ้อาบอวดไม่ได้เทศ เพื่ออย่างอื่นอย่างใดสินจ้างหรังมันอะไรเลยเทพด้วยความเมตตาสงสารอยากให้รู้อยากให้เห็นทรมือจ้านี้เป็นยังไงเมื่อลูกเข้าไปแล้วเป็นยังไงเห็นเข้าไปแล้วเป็นยังไงมันต่างกับตังตะขอนยังไงบ้างแบกกิเลสก็แบกทำเป็นยังไงเอาเราเราพูดว่าแบกเสียแบกกิเลสเป็นยังไงเ อ, อแบกกิเลสหนักแทบจะเป็นจะตายในภพชาติหนึ่งหนึ่งออแบกทำเป็นยังไงแสนสบายฟังสิแบกทำแสนสบายออแบกทําไมสบายนั่นะฟังสิชงทำนั่นแหละ มาแบกทำแสนสบายนี่เราได้เกิดใน้พบชาตินี้เหมาะสมอย่างยิ่งแน่ได้พบพูทธศาสนาด้วยออืสอนอัดสอนทำถูกต้องแม่นยําทุกจิตทุก ก, กีไม่มีสงสัยอะไรแล้วอริยสัจทั้งสี่ประกาศจังหวะเพื่อความลื้อถอนพบชาติออกจากจิตใจของตัจซึ่งเป็นกองทุกข์มานานแสนานานนั่นแหละจะเป็นอะไรไปอริยสัจสี่หรือสติปัฏฐานสี่พูดอะไรก็ได้ถูกหมดมีแต่เครื่องถอดถอนลูกสอนที่มัน ทิมแทงในภาจิตใจนี้ออกทั้งนั้นนี่เป็นอย่างมากอย่างน้อยตัดภพชาติย่นเข้ามาย่นเข้ามาเพราะอํานาจแห่งการพบพุทธศาสนาปฏิปฏิพุทธปฏิบัติตามหลักของศาสนาแล้วก็ชุดท้าก็ก็พ้นไปได้ออืชาตินี้เกิดมาเอา้าบําเพ็ญนี่แหละทำชาทำวตัตตาบนของเราให้ให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาถ้าเกิดมาใเฉยตายเฉยเกิดมาเฉยตายร้อยชาติพันชาติก็หาอะไรย่นเข้ามาไม่ได้เลยออื ดีไม่ดียิ่งยิพ่อคูนมัตตาบนให้มากเขาพ่อไม่ได้เคยสร้างความดีมิได้สร้างความชั่วอันเรื่องไม่สร้างไม่ต้องสงสัยว่ามันอยู่ได้ยังไงไม่ใช่คนตายมันต้องสร้างเน่ชัดมันก็สร้างบาปได้แต่เราไม่เขาไม่รู้ว่าเขาสร้างบาปเฉยอืทุกพบทุกท่านมันมีการสร้างบาปแตทั้งนั้นเมื่อสร้างบุญไม่ได้มันสร้างบาปหนึ่งได้นั่นแหละมันยิ่งยืดเยื่อไปเรื่องวัตตาบนพาณิจย์ใจแล้วมีศาสนามันยังมีข้อห้ามกินได้ที่นั้นที่ไม่ดีไม่งามที่จะเสริมทางมันกว้างไปครับ ตัดเข้ามาตัดเข้ามาคือสร้างคุณงามความดีก็เป็นทําตัดวัตวนิให้สั้นเข้ามายน่นวัตวนิให้สั้นเข้ามาสั้นเข้ามายน่นผลสุดท้ายขึ้นสําเร็จโซดาหนาบางทีสําเร็จสักกีทาคา่นาห น, นานอาราณิที่นี้ความแน่นอนเข้าถึงเข้าถึงแล้วเนี่ยอัน อ, อ, อนาคาเนี่ยสุดท้าหัะอรหันไปพน้นถ้าลงพ้นเนี่ยหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มี ทำการจะถามที่เวลาเวลาสมมติทั้งหลายที่เคยเป็นรอบตะตัวอยู่นี้จะเข้าไปถึงธรรมชาตินั้นหาทางเป็นไปไปไม่ได้ไป ไ, ไปม่ได้เลยเดี๋ยวพ้นวิสัยรนี้ทั้งหมดโดยประกันทั้งหมแล้วนั่นอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมทาเข้าถึงใจเป็นอย่างนั้นกิเลสถึงใจเป็นยังไงเราก็ทราบแล้วนี่ทําไมเิ้นธนูถนอมมันนัหกหนาจะทํามาได้ก็กลัวแต่กิเลสกระเทือนกิเลสมันอยู่ในตัวของเรา แต่จะทําความภาคความเพียรกกลัวึแต่เราลําบากกกลัวกิเลสลําบากนั่นเองจะเป็นอะไรไปเพราะกิเลสกับเรามันถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไม่ทราบว่าอะไรเป็นเราอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นความชั่วอะไรเป็นฆาตศิษยุดท้ก็มีแต่เราเป็นฆาตศิษต่อเราแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแต่ละครั้งราหนกลัวจะลาบากระบนกลัวจะล้มจะตายโมกุกิเลสมันบีบคอจนจนจะตายไม่เห็นชิดบ้างตายมากี่พกี่ชาติพ่อหน้าของกิเลสพาให้เกิดให้ตายทํำไมไม่คิดบ้างแต่การพูดปฏิบัติธรรมะทำไมจะกลัวแต่ตายกลัวแตตายมันไม่่แแพ้กเเลลดดูว คิดที่นักปฏิบัติตไม่คิดยังไงคิดที่ปัญญามีอยู่มาใช้สิเออเหนื่อยแล้วพูไปพูดไปเลยเหนื่อยเหนื่ยไไนน อ, อยภายในนั่งเป็นนั่นเลยเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจากผมตั้งแต่ไตตปอยู่ครับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านพาทํา้องก็เลยจับตั้งนั้นมาไม่เคยปล่อยเลยตลอดทำหมุน มันา่านถ้ามันไม่ทำมันจะไม่รู้ล่วงลี้เราอะไเล ย, เลย อ, อ, อย่างนอย่างว่าครูอาจารย์ก็ล่วงไปล่วงไปหาที่เกาะที่ยึดไม่ได้มันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาเมื่อใจเขาใจเราหรือมันใจอันเดียวกันมันรู้หนักเบาเหมือนกันตอ น, นเรามันมันมันมากยิ่งละยิ่งเข้าวันสายยิ่งมากาที่ผมนี้เต็ม สุดท้ายเป็นไงเน้นเนเนอยูุ่ดท้าเป็นไงมีมีคนใส่ถึงไหมหร้อเน้นจะจะอต ะ, ตะไรมากอยู่ไหม่ะเจ้ า, าอืะผมห่อเน้นแต่มมือเขงบอกเขาตอมมนั้นก็บอกขังลุ่มเลตะเล่าหน่ะเนี่มันเหลือครวออย่างวีว่าเราดูดูว่า ม, มากจริงๆผมกันักเที่ยวเหมือนกันทั่วประเทศไทยอยังน้ไม่เคยเห็น อาหาอย่างที่ว่า น, น่ะนอกจากมีงานเข้ามาเลี้ยงพระเรื่องอะไรก็เป็นอย่างหนึ่งมันก็มากแต่ยังมันยังไม่เห็นอย่างนี้อีกละเยอะมากก็ไม่เห็นอย่างนี้มันมากจริงจริเที่ยวไปที่ทไหนก็ไปเที่ยวมาอยู่วัดป่ามันตารณ์ตั้งแต่ตั้งแต่มาสร้างวัด น, นี้ยังไม่เคยได้ฉันเข้าวเป่ากี่เลยนะ ม, นมาสร้างที่นี่สร้างวัดสยามพระมาด้วยสี่สิบห้าองค์ นอบสร้างเที่ยงจนกระทั่งตอนนี้ไม่เคยได้ทานข้าวเปล่าลวลวเวลาเรา่านาอยู่ในป่าในเขาเราหาเองนะั่นเราเราทำเราเองอไม่เศร้าอะไรมันจนจำเจจนชินระหว่างนั้ น, ถนเถอะัานข้าวเปล่า มันดีอันหนึ่งนั้นเราจึงได้หาเราจึงได้ทำอย่างนั้นเดินอยู่กองก็ตัวตั ว, ตวปิ้วไปเลย mm. ถ้นนั่งก็เป็นหัวต่อมไม่งวกไม่ง่วงง่วงๆไปทั่วอาหารเนี่ยมันก็รู้เอทันถ้าข้าวเปล่ามันก็จะ อ, อะไรมาหยิ่มน้ำทำาน้ำอะไรนักข้าวเปล่าซึ่งแต่แม่ต่ข้าวมันยังไม่พอ่บางวันไม่พอเพราะเราหาอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปเสียใจอะไรก็เราหาอย่างนันดัดสินท า, าง้ของ เขาช่วยดัดด้วยไม่ได้ของลำพังอยูของอย่นั้นบางทีมันโลบอาหารเขาดัดช่วยนดัดช่วยดัดต่อฉันก็ฝ่า น, นั่งโั๊หน้ า, าก็ไม่ง่วงนั่งไม่สงบทำงานเดินกับตัวปิว้วไปเลยนอนก็ไม่ค่อยฉัมนมีกรรมมากๆฉันมากมาก มันมันมกง่วงยิ่งปรบผาดมันมดูแล้วยิ่งชอบง่วงล่ะเนี๋ยระวังเรื่องขานเร่องคันเรื่องปากมันยากอย่างหนึ่งเรื่องทําไปอีกอย่างหนึ่งนะมันไม่สามกีกันมันต้องขัดกันแย้งกันเสมอระหว่างทํากับพิเดียิเดียต้องการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคือชอบใจของเราอ่ะคุณเห็นไหมเรื่องที่พิเดียต้องเป็นเรื่องเราชอบใจเรื่องของทำเราไม่ชอบแต่เราก็ต้องนไปทางไม่ชอบ พเราเรามุ่งทรร่แล้วไม่มุ่งคิดเนีุต้องถูทายโอ้ลำบากผมเป็นคนหนาอยู่แล้วเด่นนะไม่ใช่แบบเป็นคนเบาบางอะไรนะถ้าพูดตึงสามปฏิปทางเจ้าของนี่หนามากี่เดียวผมอ่ะคือทำอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนทั้งหลายมันไม่ได้เรื่อง ถึงเวลาเดิน ย, ยังคงไปเดินถึงเวลามานั่งก็นั่งถึงเวลาทำเวลาก็ทําไปอยงนั้นทดลองดูเจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องทํางานก็ไม่เลยมันคิดจึงกระทั่งอะไรหมู่เพื่อนที่อยู่กับพ่อแม่ผู้วิจารยณานี่มองดูองค์ไหนเหมือนภาพภาพไว้เหมือนท่านเป็นอรหันต์อรหรันทุกองคห น, นะสียามาติทะ น, นิม เหมือนจิตท่านเป็นอาหารอาหารทุกองค์ก็จะเป็นลิงอยู่แต่เราตัวคมเดียวนี่คิดอย่างนั้นก็คิดนะผมแต่าหาท่านที่แรกนะ่ะยังไม่รู้เรื่องนู่นนะั่นนอกนั้นเหมือนท่านเป็นนระยะบุคคลอย่างน้อยเป็นระยะบุคคลมากขนาดนั้นเหมือนเป็นพระอรหันต์กั น, กนงนั้นเหมือนเป็นเทวทัตแต่เราคนเดียวสู้กัเจ้าของเทวทัตมันทำลายเจ้าของนรือวะ นี่เป็นเป็นอย่างนั้นในความรู้สึกทีนี้ทําธรรมด า, ามันก็ไม่ได้เรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องนี่มันก็มันก็ทําให้คึกคักหรือมันทําให้โมโหที่นี่จะว่าไงทำไงไงก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นยังไงวะนั่นมันขยับเขาขยับเขาเป็นกรรมยมยงของเราเองต้องเป็นอย่างนี้แหละนมันก็่ต้องคัดไปเลยนมันนั่งถึงก้นพอง่ะ ม, มันนั่งฉันยังขัดสมาธไม่ได้เลยแล้วยาํามันทุ่มมันเต็มที่นะมันออกร้อนมดกลนเจ็บปวดอย่างนี้ออกร้อนกล่นเวลาบ้านดูมันพองก็มีโอ้คนพองก็มีดูไม่พองไงนั่งตลอดรุ่งเอาที่ใครเจ๋งก็ลองดูที่นั่งตั้งแต่หัวค่ำจนตลอดรุ่งไม่ได้พิกได้เปลี่ยน อะไรเลยเนี่ยวัดจนจนเต็มกับเต็มกับตายก็เอาว่างันเลยเขาตายเข้าว่าเลยนั่นที่เวลามันจนตอกจนมูงไม่มีทางไปจิตมันก็สู้ที่นี่หมุนติ้วติวกับฟันกับกิเลสนั่นแหละมันรู้มันเข้าใจในตรงนั้นจากนั้นก็เกิดความอาถารขึ้นมาโหอยู่เวลามันอาถารมันเป็นพวโง่เมื่อไหร่เออมันอาถารด้วยความฉลาดของมันเวลามันฟัดกับกิเลสหมุนติ้วติ้ติ้ว มันรู้มันเห็นจริงนะมันเกิดความกล้าหาญพูดได้อย่างไมั่นใจทุกท่านกับพ่อแม่ครูอาจารย์นะในพรรษาที่บวชมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นพรรษาพรรษาที่ที่สิบ่ะที่อยู่น้ามนต์ผมหนักที่สุดผมยังถือเป็นประวัติยืนของผมนะพรรษาที่สิบคือโหมหักโหมทั้งร่างกายและจิตใจด้วยนะไม่ใช่โหมแต่ร่างกายไม่ใช่โหมแต่จิตใจนะมันหักโหมด้วยกันทั้งสอง พร้อมกันเลยร่างกายก็เหมือนจะแต่จะหักที่โดยจนนั่งหัดสมาันหันไม่ได้ต้องนั่งพับเพียบคือเวลานั้นเราไม่สู้มันเลยเราก็ต้องพับเพียบไอ้ท่มันเจ็หมอนเ่ยเราไม่สู้มันเราจะสู้อาหารต่างๆเราก็พับเพียบกินเลเวลาเราสู้มึงเอาถึงได้ถึงกันเนี่ยมันเป็นงั้นน่าใจเนี่ยผมกินกั้งกลางวันในพรรษาผมไม่เคยจำมัดนะ เว้นมันมีข้อข้อแม้ไว้ว่าเว้นแต่วันไหนเรานั่งตลอดดุง่งวันนั้นเราจะจำมัดให้กลางวันถ้าเราไม่ได้ตลอดดุง่งยังไงเราก็ไม่จำไม่นะเพรา ะ, ะนั้นกลางวันจึงลงเดินนึ่คนถ้ามันจะง่วงลงเดินนี่คนมัน ห, กหักโหมมากนะมาฟูตัดหมดเลยปีนั้นนะปีจะไมาานะ่ได้ผมชันหมาไม้ชนะ่ะผมชันหมาว่าตั้งแต่ผมยังไม่บวชนุ่นนะฉันบ้านอมน ปีปีพรรษาวรรมนผมตัดออกหมดหมากโอ้ไปหลายเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนที่จะมาชันหมัง้วยกันน้อยไปแล้วต่อมากับชันไม่ได้เพราเราไม่ตั้งสัจจะความริงอะไรไมันขาดไปเรางดเราพักเพื่อภาวนากันฮะ ห, หักโอมมากคำสาญน่นะหนักที่สุดพูดถึงเรื่องน่างา ก, ากายกับใจนะหนักพอๆกัน นีอจากนั้นมาแล้วก็มาเป็นระยะที่ก้าวทางด้านปัญญาอันนี้ไปทางจิตนี่ยร่างกายไม่นั่งถึงกับตลอดลุ่งห่ำมุ่งห่ำข้านเลยแต่จิตมันมันเอามันหมุนมันตลอดเดินอยู่ก็มันก็มีเรื่องเดินเราไม่ว่าน่ะเรืนองเดินว่าทางแต่ฉันหันหน้จนกระทั่งถึงปัดกว่ามันมันก็ไม่ถือว่ามันหักโหมใช่เน่ะเพราะมันไม่ทรมาน มือนนั่งภาวนาตลอดรุ่งนั่งภาวนาตลอุงมันทรมานี้จริงๆนะมันกระดูกนี่จะหักจะหลุดจะขาดไปหมดตาโกดว่าเป็นงั้นนะแั้วนั่นเราเดินเราเดินอยู่ผมมันจนฝ่าเท้าร้อนนี่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนเวลาเราเดินนะออกมาแล้วนะฝ่าเท้านี่มันร้อนเหมือนไฟถูกไฟเผาเนี่ยคนหนึ่งเดี๋ยมันเป็นไปเได้กิจกับทำกับที่เดี๋มันพันอยู่ภายในนี่มันไม่ได้ออกไปทางส่วนร่างกายไม่ได้ออกไปไหนแต่ไหนมันหมุนอยู่ภายในภายในภายใน มันไม่มีนรืเวลามันก็ไม่เหนื่อยไม่เคลียสิอยู่เราจึงว่าทั้งร่างกายไม่ได้หมักผมเหมือนอยู่นามน์นามน์ต้องไปหักผมมากทาั้งร่างกายและจิตใจอันนี้มันหนักท่าน้าจิตใจหมุนติวนต้วติวต้วติวตว้จติ้วจิตผมมันผ่าโผลผมมันมีสัยคนหยากมันไม่ใช่คนละเอียดละอออะไรมีสัยเรามันยา ก็เกอบความภาพเพลียนอย่างสุภาพชนทั้งหลายมันไม่ได้หรอกเรื่อยๆงั้นไม่ได้ต้องเอากันมัดมือชกเลยเถอะถ้าแล้วมต้องเอาอย่างนั้นเรื่องนีเห็นผลเมื่อมันเห็นผลได้ ว, วิธีได้วิธีนั้นมันจะต้องเป็นสมบัติของเราอยู่โดยดีแล้วทุกหน้าระบาดขนาดไหนก็ต้องมาทำมันนเป็นกรรมมายมอย่างนั้นจะได้ไหม่งมันไปสุด สุดฤทธิ์มันแล้วพูดอย่างง่ายวางกันเถะนะไปสุดฤทธิ์แล้วมันก็ลู้มันเองเดินยงกรมเหมือนอะไรกูไม่ถูกเหมือนบ้าหลังอย่างนั้นแล้วนะเดินยิงกรไปเห็นจิ้งกาก็เล่นยิ้งก่าเห็นนกก็เล่นกับนกก็เช่ยเหมือนไม่เดินยิงกรมไปเห็นอะไรก็เล่นเขาเนั้นไปเที่ยนไม่ได้กินงด้จังเลยแต่ก่อนโห่มันเป็นได้หรืออย่างนั้นนั่นมันไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านี้วะ น่าจะมัดบีเลยน่เหมือนเี๋ยวนี้ฟัดจะไม่ได้นี่สั่งเหไม่้วันไม่ได้วันเขอคิดบ่ายมันดียากงการคิดจังใหญ่เนี่ยแล้มันได้ออกขนาดออกเป็นตายเขาว่าคิดแต่าว่านี่มันก็ได้ขอพระอาจารย์ทุกครั้งหนึ่งนั่นเนี่ยถึงว่าเรากรรมยม ธรรมดาธรรมดาจะได้ความยั่งยืนไม่ได้เรื่องระยะยืมไมาได้เรื่องอันนะี้นะอันนี้จริงต้องเอาอย่างหนักหนักหลังจากนั้นมาแล้วมันก็เป็นน้ำมันเองไปอีกแบบหนึ่งแต่เราก็ไม่สงสัยเดินโยกเหมือนทําเล่นอี่เราก็ไม่สงสัยมันเป็นน้งมันก็รู้แต่ก่อนไม่เป็นนี่มันก็มาเป็นน้ำมันเองเราก็รู้นะ เ, เ, เ, เ, รรเดินไปเดิน เหมือนทําเล่นกิริยาดูกิริยาไปนอมันทาเล่นเดินเห็นอะไรก็เล่นเ น, นาหนังมีเห็นสัตว์เล่นกขาสัตว์เอย น, นั้นถ้ากันตั้ง อ, อกตั้งใจนะอ่ะ เ, เ, เ, เลิกกันนะนะเอาเก็บ